บทภาชนีหนึ่หญิงอายุต่ำกว่า12ปีภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุต่ำกว่า12ปีบวชให้ต้องอะบัดปลาจิตตีหญิงอายุต่ำกว่า12ปีภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอะบาดทุกกฎหญิงอายุต่ำกว่า12ปีภิกษุณีสำคัญว่าครบบวชให้ไม่ต้องอะบาดหญิงอายุครบ12ปีภิกษุณีสำคัญว่า มีอายุต่ำกว่า12ปีบวชให้ต้องอาบัตดทุกกฎญิงอายุครบ12ปีพิกษูนีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัตดทุกกฎญิงมีอายุต่ำกว่า12ปีพิกษูนีสําคัญว่าครบบวชให้ไม่ต้องอาบัตด